ถ้าเรามีสติรู้ลงมาที่จิตที่ใจอย่างเป็นกลางกิเลสเกิดขึ้นเราเห็นมีฮิริโอต ป, ปะศีนก็จะเกิดขึ้นเองสีนอัตโนมัติการนี้ศีลเรียกว่าอินเซียสังวรศีลศีนไม่ใช่ศีล5ศีล8แต่ว่าเป็นศีนหกถ้าจะอยากใส่เลขนะคือศีนหคือความเป็นปกติในการรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิน้นกายใจ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 ความไม่รู้แจ้งอริยสัจความไม่รู้แจ้งอริยสัจข้อที่หนึ่งความไม่รู้แจ้งทุกทุกขคืออะไรคือขันห้าตราบใดที่ไม่รู้แจ้งขันห้าโดยเฉพาะไม่รู้แจ้งจิตนะจะข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าแจมแจ้งไว้จิตนี้ทุกข์ล้วนล้วนบางคนเห็นมันทุกข์ล้วนๆนเพราะมันไม่เที่ยงเห็นมันทุกข์ล้วนล้วเพราะมันถูกเสียดแทงบีบคั้น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 งงลนะดูจิตใจก็ไม่ไหวแล้วนะเราเบรกตัวเองเราทำงานจดจ่ออยู่สักชั่วโมงนะเ้าทำเป็นลุกไปห้องน้ำหัวหน้ากองก็พูดพูนปลาโมดนี่เข้าห้องน้ำบ่อยก <c ười> ินน้ำเยอะนี่ก็ใช่สิเจตนานะมันคือการเบรกตัวเองไม่ให้ทำงานแบบงมงายจนทั่งลืมไปเลยแต่ว่าถ้างานอะไรเร่งด่วนอะไรเนียจำเป็นต้อง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 สุดๆตอนนี้มันคงลงกระป๋องไปแล้วเ <c oughs> คิคนชินเวลาเราทำงานหนังๆเนี่ยหัวหมุนหมุนดูจิตไม่ออกแล้วตอนลุกขึ้นมานะรู้กายไปก่อ น, น <c oughs> <c oughs> เวลาเราจะลุกจากเก้าอี้เนี่ยเราขยับมือก่อนจะขยับมือเห็นไหมเวลาเราจะลุกเก้าอี้เราจะขยับมือก่อนไม่ใช่ขยับขาก่อนนะขยับขาก่อนหัวจิ้มล้วขยับมือก็ขยับตัวเนี่ยขาขยับดีหลังด้วยซ้ไป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 เดินมากลางทางเจอเพื่อนทักทายคุยสนุกรู้ว่าสนุกแล้วดูได้ละกลับมาตั้งใจทํางานต่อพอมาเห็นงานรู้สึกขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจเนี่ยตั้งใจทํางานไปเนี่ภาวนาอยู่อย่างเงี้ยรับราชการ เ, เลิสี่โมงครึ่งสมัยนั้นพอสี่โมงนะเริ่มรีแลกนะสี่โมงเริ่มสบายใจและ ใ, ใกล้เวลาสบายใจแนละเริ่มรู้สึกตัวอะไรไหมพอมีความสุขปบสมาธิเกิด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 ให้รู้ว่าไม่ตั้งมั่นแล้วมันตั้งมั่นเองอย่าไปจงใจดึงให้ตั้งมั่นถ้าจงใจดึงแล้วแข็งเลยถ้าแข็งแล้วไม่มีความสุขพอไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดก็พยายามจะท่องพุทโธบ้างบางครั้งนะรักับลงไปเอาพุโทโธไว้ก็ได้ไม่มีอะไรทำก็พุโทโธไปทำอะไรไม่เป็นก็พุโทโธไว้ถ้าใจไม่เอาพุโทโธก็หาคำอื่นที่ชอบใจ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 ก็วันนี้ตอนเช้ามีโมหะค่ะหลวงพ่อแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันมันน้อยกว่าเมื่อเช้านิดนึ่งค่ะอะไรน้อยโมหะแต่ก็ยังมีอยู่เนี่ยหลวงพ่อพยายามเปิดไฟต่อไปท้ามัวมัต้องเปิดสปอตไลท์ด้วยมันทําให้อัลเลอร์จแต่ว่ามันเห็นว่ามีความกลัวค่ะหลวงพ่อคือมันคือมันเห็นชีวิตตัวเองเห็นชีวิตคนอื่นปุ๊บเนี่ยมันกลัวมากเลยนะนั่นแหละ มันมีปัญญาที่เรียกว่าพระยะตูปัฏฐานยาณชื่อน่ากลัวมั้งกันไหยานเห็นไัยเห็นถึงความน่ากลัวนะเรมรู้สึกว่าทุกอย่างไม่แน่นอนเลยแล้วมันวิ่งหนีไปเลย้เอแลวแต่ตรงนี้ไม่ใช่กลัวตรงนี้เรียกว่าคล่ำคลวนตัวนี้ให้รู้ทันนะกลัวไม่เป็นไรนะกลัวมันเกิดจากปัญญานะเดี๋ยวตรงนี้คล่ำกลวนแล้วนะดูออกยังเออกลัวแล้วรู้ไป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 ก็ไม่มีความทุกข์อะไรรู้ยังมีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละเห็นขันมันก็เป็นทุกข์ไปใจก็มีความสุขไปถ้ารู้ตรงที่มันยินดียินไล่ไม่ทันไม่มีความอยากเรารู้ทันความอยากก็ยังใช้ได้ถ้ารู้ทันความอยากไม่ได้จิตใจจะเริ่มทำงานลนะ้เริ่มปรุงแต่งลนะปรุงดีปรุงชั่วถ้าหลงตามกิเลสก็ปรุงชั่วหลงเพลินไปถ้าเป็นนักปฏิบัติก็หลงดีบังคับกายบังคับใจ